Namotassa Bhagavatu Arahato Sammasambuddhassa Namotassa Bhagavatu Arahato Sammasambuddhassa Namotassa Bhagavatu Arahato i dàni patami divase sannipaditāyā bhutthā parisāyā kājittamikathā kadhiyate thammanu thamma patipaditī imasa thamma pariyāyatsa athosathāyatsaman tehi sakacangthammo สูตรตํโนวันนี้วันวันทมีติถีที่ 8 ทําเป็น การกาญจนะนั้นเหล่าพวกเราแลไปชมสารแห่งดิน กะตะเดปะละเดปะละเดไลนี่น่ะก็ วันพระล้วนธรรมสวนะวันนี้เป็นวันแรกของพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้ยุบย่อ ศรัทธาแก่ตาและก็มีพลังน้อยทําศึกษาอบรมและ เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้จะได้ยกปฏิปติแปลเป็น เพราะแก่ได้ตรงตามปรินิพพานอีกมีบุญมีบารมีพระ เรเรเรเราก็จะต้องการอาศัยการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไป อยู่รอบๆตัวของได้แก่ตัวของเราซึ่งประกอบด้วยกายและจิตใกล้และไกลที่เราก็ จะเกิดความเข้าใจนำมากับฐานะและภาวะให้เกิดความรู้ ถึงขั้นตอนของความถูกต้องขั้นตอนของความเพราะว่าประการสุด จะต้องตําให้เป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์อย่างเต็มขั้นตอนของการทํานั้นๆจึงจะ อันผลมันก็ไม่เกิดแก่การที่จะปิดผลมีจะสําคัญหรือไม่สําคัญในขั้นตอน มันประชาวะผสมบทให้แก่กุลบุตรกุลฤกิฎาได้ชื่อว่าเป็นนักบวชใน ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไว้ตอนรับผู้ที่เข้ามาและเป็นการส่งเสริม จิตอันประกอบด้วยศรัทธาประสาธะเพราะได้ยินธรรมะไหลออกจาก เป็นเครื่อนรองรับในการที่จะส่งเสริมเติม เมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องอาศัยลุกขมูลก็อยู่กรุงไม้แทน อันเป็นสปายะสถานที่เป็นสปายะนี่เป็นสปายะโคน เงามผาดงป่าอันลกชัดป่าธรรมชาติคือป่าและสัตว์ป่าที่เรานี้ชื่อว่าเป็น คือให้นี่คือสถานที่สําคัญต่อการประพฤติปฏิบัติ นับได้ถวายความสะดวกกษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐียาจก มีนามวัดว่าพระเจตวันมหาวิหารขึ้นเป็นครั้งแรกนี่คือถวายความ นี่คือสถานที่ปัจจุบันพวกเราทั้งหลายซึ่ง ไม่ต่ำกว่า 30,000 กว่าวัดนี่คือสถานที่เป็นที่อยู่ของผู้ เป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันคือเข้ามาเพื่อจะชําระสะสางมลทินะ เพราะว่าจิตใจของพวกเราท่าน เป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลก็ไม่ เราจะไปให้ทานใส่บาตรหรือ ปรารถนาความสุขและการพ้นทุกข์ให้แก่สัตว์ร่วมโลกเกิด อนุทนอมค้อมเียงเลี้ยงไว้ให้ตั้งอยู่ในความรู้ เมื่อเรามีปกติสุขอยู่ในจิตใจของเราได้นานเรามีปกติสุขอยู่ในจิตๆก็เป็น เรื่องใดที่มันไม่สมควรจะกล่าวมันไม่ถูกต้องกับปากของผู้มีศีลปากของผู้ ก็เพื่อจะชี้เราได้ ไกลว่านไกลออกไปเกี่ยวเรื่องสุบุคคลและสัตว์อื่นสถานที่ก็ ก็ยอมจะบรรดาลให้สิ่งทั้งหลายมีการกระทําด้วย ว่าจีกรรมพูดด้วยวาจาก็ดีกรรมพูดด้วยวาจาก็ดี วินิธัมมานุธรรมะปฏิปติปฏิการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนั้นนอกจากเราจะมาศึกษารู้ถึงเรื่องหน้าที่ แตกต่างกันอย่างเปิดเผยและชัดเจนไม่ต้องอธิบายเราอยู่บ้านเราเราก็รักษาศีล 5 เราเราก็นึกคิดได้ไปอยู่ในคุกตารางเราก็นึกคิดได้เราจะไปอยู่ที่ สถานที่มันมีทั้งมีเวทแล้วก็ไม่มีเวทสถานที่ไม่มีเวทมันไม่เหมาะแก่การ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราทั้งทั้ง ที่พระองค์ทรงเสียสละถ้าพระพุทธเจ้าของเราไม่เสด็จ แต่ผู้เดียวก็ย่อมจะว่าได้ผู้เดียวก็ย่อมจะด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ขวนขวายกระทำบำเพ็ญกันมาโดยลำดับนี้แหละไม่ใช่เกิดจาก นี่พระองค์ทรงเสียสละถ้านี่ เริญพระการมาสุขสมบัติทรงเพื่อมาแรกเปลี่ยนเอากับพร้อมได้แก่การออกบวด คือไม่อาศัยกามิสสุคคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมณ์นั้นเกิดจากราบยศแดน เหตุได้แก่ความทุกข์ได้แก่ตัณหาหรือความสุขอันเกิดจากรูป แก่สุขภาพร่างกายและจิตใจนั่น ไม่ๆไม่ไปพบที่จะเข้าไปยึดครองมี 10 แ่มหน้าในสิ่งทั้งหลายเหล่า มหาไสเนกขัมมะคือการออกบวชการอาศัยเนกขัมมะคือการออกบวชนั้นเพราะว่าผู้ที่บำเพ็ญเนกขัมมะนั้นเป็นผู้มีการเสียสละโอกาส ช่องว่าย่อมเปิดขึ้นเวลาย่อมมีในการที่จะ บารมีมาถึงเสียสงไฆกำไรแสนมหากัปไม่ใช่น้อยส่วนที่ยังไม่นี่เป็นตปปฏิธรรมดาของผู้ที่ทรงสร้างบารมีและปรารถนา เลือกเส้นเลือกสันเอาธรรมะบางส่วนเข้าก็เพียงพอต่อการที่จะทําขั้นของความเมื่อจะพูดถึงหลักสั้นๆหรือง่าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การเสียสละของนี่การ เสียสระสมบัติภัสถานภายนอกเสียสระสิ่งที่เป็นข้าศึกนอนเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นความรู้เป็นสว่างภาย จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง มีการอ่าเราจะสูงขึ้นจิต โดยรักษากรรมบถ 10 กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 เรียกว่ากุศลทางแห่ง 10 กุศลกรรมบถ เป็นโดยเป็นกฎข้อบังคับของสิ่งไม่ดีประพฤติปฏิบัติโดยเป็นกฎ จิตใจของเราโดยจงใจของเราโดยตรงเพราะคนเรานั้นน่ะมันประกอบไปด้วยทวาร 3 กาย ของพวกเราท่านทั้งหลายก็มีอุปมาอย่างนั้นเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของความดีความนี่มันไหล แต่นี้ส่วนเราท่านทั้งหลายจะเปิดประตูคือ เสียสละออกไปการเสียสละออกไป ไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปและกุศลรันไหลเข้ามาสู่ภายในขึ้นมันก็จะหยุดการเจริญ เรเราก็ระบายออกไประบายออกไปนี่การที่เราขั้นถึงหลายจะทําได้อย่างนี้ ไม่ใช่พอดีพอดีเอาใจของเราเป็นใหญ่โดยไม่เด็กดำเนินถึงหลักและ การประพฤติปฏิบัติของแต่ละ รอบงามใน